5. ปาจิตติยกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกันหนึ่งมุสาวาทวักหนึ่งมุสาวาทศสิกขาบทห้าสิบสี่ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะกล่าวเทจทั้งที่รู้ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระหัตถกะสากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระหัตถกะสากยบุตรเกรจากับพวกเดรธีปฏิเสธแล้วรับ